วันนี้ถ้าเขาออกนอกบริเวณวัดจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเชื่อฉันก็จะไม่ตายพระบูเฮียวไม่ออกความเห็นรู้สึกสังหอนใจอย่างไรพิกลว่าจะต้องมีสิ่งไร้ายๆเกิดขึ้นกับหล่อนนายสมชายขับรถพาท่านพระครูและลูกวัดอีกแปดรูป มาถึงบ้านงานเมื่อเวลาหกโมงครึ่งหรือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มพิธีเจ้าบ่าวซึ่งอยู่ในชุดกางเกงขายาวสีเทาฟ้าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพูออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเห็นนายจ่อยท่าทางมีความสุขจิตของพระบูเหียวก็ถูกกา ม, มาชันทะนิวอนกลุ้มรุมอีกท่านต้องใช้โยนิโสมนสิการ เขาปราบปรามมันจึงสงบลงได้เจ้าสาวไปไหนเส้นละท่านพระครูถามถึงคนเป็นเจ้าสาวยังไม่กลับจากร้านสมสวยครับเจ้าบ่าวตอบแขกเรือยังมากันไม่มากเจ้าบ่าวจึงมีเวลาพูดคุยกับพระสงฆ์สมภารวัดป่ามะม่วงถามหาบิดาของนายจ่อยก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สางเมา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 คนทิมตอบเอออร่อยอร่อยนี่แหละข้าเห็นเป็นเปรตมาเสียนักต่อนักแล้วแกเห็นได้ยังไงคนทิมย้อนก็ปู่ย่าตายายข้าสอนไว้อย่างนี้ถึงข้าไม่เห็นแต่ข้าก็เชื่อนั่นมันสมัยปู่ย่าตายายแกโวยสมัยนั้นน่ะพระท่านน่าคเคารพนับถือกินก่อนท่านถึงได้บาปแต่สมัยนี้ มันใช่พระสิที่ไหนแค่พวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองไปไหนๆก็เที่ยวแต่จะกินของดีๆแล้วยังเอาเงินอีกที่เขาว่าข้าวก็ยัดอัดก็เอานั่นแหละแม่ครัูอีกคนเถียงแทนเพื่อนตายละอีแป้นมึงนะมึงนรกจะกินหัวกระบาลมึงเขาสักวันแม่ครัูคนแรกว่าท่านพระครูกำหนดลืมตา ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอีกต่อไปนี่ขนาดคนชนบทยังดูถูกดูแคลนพระถึงป่านนี้มันความผิดของใครกันเล่านี้ท่านรู้สึกรันทดใจนักเห็นในจ่อยกําลังซุบซิบกับพระโบูเหียวอยู่ทางปลายแถวท่านจึงกําหนดเห็นหนอไปที่บุคคลทั้งสองทําไมนิมนต์พระวัดป่ามะม่วงทั้งหมดละ่ะไม่กลัววัดเจ้าทินเข้ากะเมนเอาหรือ พระโบเหียวถามเพราะตามธรรมเนียมหากจะนิมนต์พระต่างถิ่นมาก็ต้องให้มีพระในท้องถิ่นอยู่ด้วยการนิมนต์พระจากถิ่นอื่นมาทั้งหมดถือว่าเป็นการกระทำที่ข้ามหน้าข้ามตาพระเจ้าถิน่นก็อย่างที่เคยเล่าให้หลวงพี่ฟังนั่นแหละผมไม่ไดับถือพระแถวนี้แต่พูดก็พูดเถอะหลวงพี่กฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ได้รวดเร็วดีจริงๆสมผ่านตายแล้ว ในาใยจ่อยจงใจใช้คำว่าตายแทนมรณภาพเอา้าเป็นอะไรตายล่ะถูกจามด้วยขวานหัวแบะเลยนอนตายอยู่ข้างระเบียงโบสถ์ป่านนี้คงทะเลาะกับยมาบาลอยู่ในนรกนั่นแล้วหลวงตาทองขี่เมานันละ่ะแหมหลวงพี่จาแม่นจังแกศึกแล้วเห็นว่ากรดตกนรกเพราะไม่อาจเลิกเหล้าได้เป็นเพราะกินเหล้ามันบาปมาก แกเลยสึกออกมาเสียให้หมดเรื่องหมดราวจะได้ตกนรกน้อยหน่อยแกว่าของแกอย่างนี้ไม่ใช่ผมว่านะฟังแล้วท่านพระครูจึงสรุปในใจว่าออมันอย่างนี้เองนี่เล่ายายแม่ครัวถึงได้ไม่ศรัทธาพระน้อยแนมาเรียกเรา ว, ว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองข้าวก้อยัดอัดก็เอายายคนนี้ สำคันถึงตอนนี้ท่านรู้สึกขำใหญ่นั่นคำพูดของนางเท่ากับเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้ที่เรียกตัวเองว่านักบวชเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดใต้ถุนเรือนแล้วหนังสาวจุกก็เดินหนวยนาดเข้ามากราบท่านพระครูและภิกษุอีกแปดรูปหล่อนอยู่ในชุดไทยเรือนต้นสีชมพูอ่อน ตัดเย็บด้วยผ้าใหมเนื้อดีผมกล้าวทรงลูกจันทร์ไว้กลางศีรษะใบหน้าถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยฝีมือของช่างเสริมสวยประจำตำบลหลวงนามาถึงนานแล้วหรือจ๊ะหล่อนทักทายนานหรือไม่นานก็ถึงก่อนคนเป็นเจ้าสาวแล้วกันหลวงนาพูดแย่แหมหลวงนานเนี่ยเจอหน้าก็ว่ากันเลยเชียว หล่อนพอขณะนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงพิธีจึงเริ่มด้วยการให้ทายกซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและอาราธนาศีลท่านพระครูให้ศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้ง9ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์คู่บ่าวสาวนั่งพับเพียบประนมมือฟังพระสวดมีหมอนสีชมพูรูรปสี่เหลี่ยมจตุรัส สำหรับวางแขนกันเมื่อยคนละใบเสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต์ทายกนำกล่าวถวายสังฆทานแล้วจึงช่วยกันประเคนอาหารหวานข้าวพระสงฆ์ชันพัตหารเสร็จเจ้าภาพถวายจตุปัจจยทยธรรมแล้วพระสงฆ์ทั้ง9ก้ารูปกล่าวอนุโมทนาคาถาคู่บ่าวสาวกรวดน้ำและรับผ่อนตามลำดับ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 ที่วัดมีสอนกรรมฐานด้วยนะอยากไปเรียนไม่เล่าก็อยากเหมือนกันว่าแต่ว่าหลวงพ่อไม่โกรธชนะนางยังกลัวความผิดโกรธเรื่องอะไรเล่าก็ที่ฉันว่าหลวงพ่ออาตมาจะไปโกรธทำไมก็อาตมาไม่ได้เป็นอย่างที่โยมว่าแต่ถึงเป็น ก็ไม่ควรจะโกรธเพราะเท่ากับโยมพูดความจริงใช่ไหมละ่ะใช่จะใช่ว่าแต่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงรู้ล่ะว่าฉันเป็นคนพูดนางไม่วายสงสัยเอาเถอะไว้ไปเข้ากรรมาฐานแล้วจะบอกอย่าลืมไปก็แล้วกันจ้าจ้ฉันไปแน่รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อน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 ก็ไม่อาจทำให้จิตสงบได้เลยหล่อนเริ่มฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาป่านชะนี้ลูกเต้าจะกินอยู่กันอย่างไรสา ม, มีหล่อนเล่าจากกันมาตั้งเจ็ปดวันป่านนี้ไม่มีอะไรกับสาวใช้แล้วหรือเพราะเห็นแม่นั่นทำท่าระริกระรีให้ท่าอยู่บ่อยๆข้างสา ม, มีหล่อนก็ใช่ย่อยยิ่งเมาแอกลับบ้านทุกวันอย่างนั้นมีหรือ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 ดูให้เห็นกับตาแล้วจะรีบมาหลุงพ่อคงยังไม่กลับนี่ก็เพิ่งจะหกโมงเช้าเท่านั้นเองแล้วหล่อนก็รีบจัดแจงแต่งกายออกจากที่พักเดินฝ่าความหนาวเหน็บรงไปยังถนนสายเอเชียคอยดูนะตะแกะถ้าจับได้คานังคาเขาไม่จะขาาทิ้งเสเลยหล่อนคิดเรื่อยเปื่อยไปตลอดทางสิ่งที่คิด ลุ้นแล้วแต่ร้ายๆทั้งนั้นถึงถนนสายเอเชียหล่อนต้องข้ามไปรอรถทางฝั่งโน้นมีรถประจำทางหลายสายที่วิ่งมาจากทางเหนือเพื่อจะเข้ากรุงเทพหล่อนมองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีรถวิ่งมาสักคันจึงก้าวเท้าออกไปโดยเร็วแล้วก็ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกรถบรรทุกชนกระเด็นไปตกอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้าม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 เนื่องจากอากาศคลายความหนาวเย็นลงมากแล้วแม่ครววัดป่ามะม่วงก็มาดูกับเขาด้วยเห็นหน้าผู้ตายถนัดนางบุญรับถึงกับขวัญเสียความเกลียดชังที่มีต่อลอนกลับกลายเป็นความเวทนาสงสารนางยกมือท่วมหัวพูดเบาๆว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดแม่คุณขออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย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 อองขับรถมาจากกรุงเทพกับบุตรสาววัยรุ่นอีกสองคนเขาตั้งใจมาเยี่ยมพัญญาซึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ามัมม่วงเคยขับรถมาส่งหล่อนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาหล่อนบอกว่าจะมาอยู่สักเจดวันพอมาถึงท่านพระครูกลับบอกให้อยู่ตั้ง15้าวันด้วยเหตุผลว่าหล่อนกาลังมีเคราะห์ลูกสาวสองคนรบเร้าให้เข้าพามาด้วย ทนคิดถึงมันดามไม่ไหวเขาเองก็คิดถึงหล่อนเช่นกันรถวิ่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าวัดเห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามชายไวกลางคนมิได้สนใจจะหยุดดูด้วยใจจดใจจ่ออยู่ที่พัญญาอยากเห็นหน้าหล่อนเร็วๆครั้นถึงวัดเขาตรงไปยังกุฏิที่หล่อนพักพร้อมลูกสาวทั้งสองเมื่อเดินไปถึงปรากฏว่า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 แข่งกับลูกสาวทั้งสองตอนเห็นศพพัญญาเขากลั้นความรู้สึกทั้งมวลเอาไว้แต่เมื่อมาพบผู้ที่เห็นอกเห็นใจซึ่งเขาจะยึดเป็นที่พึ่งได้ความรู้สึกที่อดกลั้นเอาไว้ก็กลั้นไม่ไหวอีกต่อไปทําใจดีๆเอาไว้โยมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีใครหลีกหนีพน้น โยมทองรินเข้าไปสบายแล้วเขานั่งรออาตมาอยู่ตรงทางเลี้ยวเล่าให้ฟังหมดว่าเกิดอะไรขึ้นไปไปคุยกันที่กุติดีกว่าท่านเดินนำสามพ่อลูกไปยังกุติภิกษุอีกเจ็ดรูปต่างแยกย้ายกันไปยังกุติของตนคงมีแต่พระโบเฮียวที่เดินตามท่านพระครูมาเพราะอยากรู้เรื่องราว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 เป็นเทพที่ด่าไปแล้วรูปร่างสวยงามเที่ยวเคยมาปรากฏตัวให้คนเห็นบ่อยๆเคยมาเดินจงกรมกับแม่ทีเขียวด้วยแม่ทีเขียวเป็นผู้อาวุโสที่สุดของสำนักทีเดี๋ยวนี้อายุ80ไปไหนมาไหนไม่ค่อยไหวแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ที่สำนักและแม่ทีเขียวแกรู้ไม่ครบว่าแม่กาหลงไม่ใช่มนุษย์ รู้แต่แกเป็นคนไม่กลัวผีแกก็เดินจงกรมอยู่กับแม่กาหลงสองคนคนอื่นๆไม่มีใครกล้านี่รู้เรื่องแม่กาหลงแล้วอย่าไปเล่าให้เศรษฐีเจริญชัยนั่นฟังนะเดี๋ยวเขาจะพากันกลัวไม่ยอมมาวัดอีกท่านกำชับพระบัวเหียวซึ่งฝ่ายนั้นก็รับคำหนักแน่น แล้วพัญญาผมล่ะครับหลวงพ่อทำไมเขาต้องอายุสัน้นนายละอองถามตามหลักกรรมคนที่อายุสัน้นเพราะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโยมทองรินเคยไปฆ่าเขาไว้เจ้ากรรมนายเวรก็เลยตามมาทวงนี่เขาเล่าให้อาตมาฟังนะถ้าเขาไม่ออกไปนอกวัดก็ไม่ต้องตายใช่ไหมครับ ผูกแล้วเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาดักรออยู่ตอนโยมเขาข้ามถนนก็บังตาเอาไว้ไม่ให้เห็นรถบรรทุกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจิตวิญญาณจะมีอยู่จริงนี่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเล่าผมคงไม่เชื่อถึงจะเป็นอาตมาโยมก็อย่าเพิ่งเพื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเสียก่อน พิสูจน์อย่างไรครับถามอย่างสนใจมาเข้ากรรมฐ า, านสักเจ็ดวันพอมีเวลาไม่เล่าครับผมจะหาเวลามารอให้ลูกๆไปเทิมแสก่อนดีแล้วโยมทองรินจะได้ดีใจโยมจะได้คุยกับเขาโดยไม่ต้องผ่านทางอาตมาหนูจะมากับคุณพ่อได้ไม่ขาดหลงตา หนูอยากคุยกับคุณแม่ค่ะเด็กสาววัยถามขึ้นได้จ้ะท่านหนูตั้งใจปฏิบัติก็จะสามารถคุยกับคุณแม่ได้แล้วหนูจะมาไมหมล่ะจ๊ะท่านถามคนน้องถ้าคุณพ่อกับพี่เข้ามาหนูก็มาค่ะเด็กหญิงวัยบสองตอบหลวงพ่อครับ ศพของธงรินจะเผาเมื่อไรครับนายละอองถามขึ้นสวดพระอภิธรรมซักสามคืนแล้วค่อยเผาเจ้าตัวเขาไม่สนใจหรอกร่างกายนั้นเมื่อวิญ ญ, ญาณทิ้งเสร็จแล้วก็ไม่ต่างจากท่อนไม้หรือท่อนฟืนถ้าอย่างนั้นก็เผาซส้วันนี้เลยดีไหมครับพระบุญเฮียวออกความเห็น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 ผมจะเข้ากรุงเทพไปบอกญาติๆเลยนะครับนายละอองบอกอย่าเลยโยมกําลังเครยียดไม่ควรขับรถขับราอาตมาคิดว่าโยมไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวให้สมชายพาไปโทรศัพท์ทางไกลที่ในตัวจังหวัดโยมจะได้เตรียมงานอยู่ทางนี้ห้าโมงเย็น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 เข้าไปโทรศัพท์ที่ตัวจังหวัดบอกญาติทางกรุงเทพให้รู้เขาจะได้พากันมาทันอาบน้ำศพเมื่อสามพ่อลูกลุกออกไปแล้วนางบุญรับก็ร้องไห้กระเสะกระเซิงเข้ามาลวงพี่ฉันกลัวผียายทองรินก็ดีแล้วนี่อยากไปเกลียดเขาแบบนี้ต้องบอกให้หลอกเสให้เข็ด ท่านพระครูขู่ไม่เกลียดแล้วจ่ะลงพี่ฉันไม่เกลียดเขาแล้วเห็นเขาตายแล้วสงสารนางบุญรับรีบบอกอ๋อถ้าเขายังไม่ตายก็ยังไม่หายเกลียดใช่ไหมเหล่าท่านพระครูย้อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันสงสารเขาจริงๆขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอแม่คุณอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลย ใครเขาจะอยากจองเวรจองกรรมกับคนอย่างแก่เรายายบุญรับเอ้ยอย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยคนอย่างแก่น่ะแม้แต่ผีก็ยังเมินท่านพระครูว่าให้เมินก็ดีจะได้ไม่มาหลอกฉันเดี๋ยวตอนอาบน้ำศพฉันจะไปกราบขอขามาเขาดีแล้วข้าจะช่วยบอกเขาให้ไป ช่วยไปตามลูกสาวเขามากินข้าวกินปลาเสียนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วบริการเขาดีๆนะแม่เขาจะได้ไม่มาหลอกท่านแกล้งแย่แหมลุงพี่ชอบพูดให้ฉันหวาดเสียวอยู่เรื่อยนางต่อว่าแล้วจึงลุกออกไปท่านพระครูพูดกับพระบูเหียวว่าวันนี้เธอก็เลยอดชั้นเพน ไม่เป็นไรครับผมอิ่มมาจากบ้านในจ่อยแล้วอาหารเขาอร่อยอร่อยทั้งนั้นผมเลยว่าเสียอิ่มแปลถึงจะไม่ได้ชันอีกสามวันก็คงไม่หิวถึงขนาดนั้นเทียวหรืรู้สึกว่าเธอจะติดในรถอีกแล้วนะทําไมถึงไม่กําหนดรถหนอละ่ะกําหนดไม่ทันครับก็มันอร่อยผมก็เลยชั้นเพลินจนลืมกําหนด นั่นแส ด, แดงว่าเธอยังต้องฝึกอีกมากครับผมก็ว่าอย่างนั้นลุงพ่อครับยายบุญรับแกจะหายโกรธยมทองรินจริงอย่างที่แกพูดหรือเปล่าครับจริงสิโบราณเขาถึงสอนว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจไงล่ะไมาความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่า คนเราถึงจะจงเกลียดจงชังกันปานใดพออีกฝ่ายตายลงความเกลียดก็หายไปจะมีแต่ความเมตตาสงสารอะไรที่เขาเคยทำไว้กับตนก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามไปหมดแล้วก็จะนึกถึงเขาแต่ในทางที่ดีที่งามจึงเรียกว่า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 ไม่ใช่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างที่แม่ครัวบ้านงานว่าครับแล้วผมก็ขอตั้งปณิธานว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของพระไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมให้ใครมาตรานหน้าว่าเป็นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างเด็ดขาดพระโมเฮียวให้คำปฏิญาณต่อหน้าพระอุปชา